ในในิทิ่ท่านว่าโดยศีลโดยตรงท่าทีเป็นงอนไถ่เป็นงอนไถใจเป็นเชือก เ, เชือกเป้ตัวสื่อตัวชักตัวนำทำหน้าที่ต่างๆตัวบังคับบังคับให้ไปตามร่องตามรอยของเชือกอันนี้ก็เป็นส่วนเรื่องพุทธกเกษตรนะเพราะเรื่องของเรื่องมันก็คือวันหนึ่งพุทธเจ้าเอาไปมิเทบากแล้วไปเจอชาวนา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 มีสติเป็นก้อนไถมีใจเป็นเชือบมีหิริเป็นก้อนไถมีสติเป็นผานเป็นสติเป็นฐานและประตัดปัญญาเป็นแอกและคันไถนีอันนี้เป็นเครื่องมือของเราการคุ้มครองกายการสำรวมกายวาจารู้ประมาณในอาหารเป็นเครื่องบังคับนะให้ให้จิตของเราเนี่ยเป็น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 ะ, ะเดี๋ยวจะให้ลุงนวยทําพิธุพันช์ชาวนาทํา <c oughs> <c oughs> พิธุพันธ์ชาวนาวไว้สักแห่งนอมีแอกมีเดี๋ยวนี้ก็ไปเห็นตามอานะตามเป็นเฟอร์นิเจอร์หมดน ะ, ะพวกลอว้อพวกเกวียนพวกแอกพวกไทยก็ไปทําเฟอร์นิเจอร์ขายหมดอผ่านทับตักผ่านไทยไงเนาะ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 อสักไปสักมาทําไม่ได้สักอย่างเลยบอกเธ อ, องั้นเธอทํานาให้ฉันใส่บัตรให้ฉันไปก่อนก็แล้วกันค <laughs> <laughs> ุยกันแถวนาพู้ดเจ้าถ้าทําอย่างที่ฉันทําไม่ได้เ น, นี่ยเธอก็ต้องทํานาไปถ้าหากว่าจะเลิกทานาก็ได้ฉันเป็นที่บะช่วยกับมิระบาตเลี้ยงตัวเองเอย่างนี้แหละผ <laughs> ู้เจ้าเลยตัดไปสูตรนี้ไงพุทธเกษตรยนะสูตรนี้ก็เรียก ว, ว่ามีชื่อมากที่พู้ดเจ้ามา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 แต่ชาวนาถึงจะทำนาแต่หวนกลับไปกินเหล้ากินยากินอะไรอย่างอื่นอีกที่ว่ามันวิเศษกัมนกันก็วิเศษอย่างนี้นะมันจะพ้นทุกได้เพราะนั้นเอกว่าพระสงฆ์ท่านว่ากับพุนยาเขตตังโลกะสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกหมายถึงว่าถ้าใครไปทำบุญกับนั่น้อบุญก็จะงอกงามเพราะพระสงฆ์ได้ทำนาอยอนี้ท่านก็เอาข้าว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 เพราะนั้นก็การที่เราได้ศึกษาพุทธพุทธพุท ธ, ทธวจนะศึกษาอย่างเนี้ยมันเข้าใจแต่ว่าพุทธวจนะที่เราเขาเห่อเขาเหิมเขาศึกษากันคือฟังแล้วก็จาได้แต่ว่าเอาไปใช้ไม่เป็นคือไม่เข้าใจใช้อะ่ะแล้วพุทธพจน์พุทม่มันก็เหมือนพุทธพนทธพุท่พุทธพุ ไม่รู้จักวิธีปรุงยานั้นบอกอันนี้เป็นยาของหมอให้ยาหมดแล้วก็ไปขอหมอใหม่ยาหมดเขาไปเอาไปแต่ถ้าหากว่าวิธีการที่พุทธวจนที่โรเรียนกันเนี่ยเรารู้จักวิธีปรุงยาเองด้วยหรือเราสามารถเป็นเภสัชเองนะแต่ถ้าเรียนพุะเจ้าคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราไม่เข้าใจที่ไปที่มาเพียงแต่เราไปจาําคาถามาแล้วก็จําคําสอนมา